เป็นเป็นทฤษฎีที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการทำกรรมฐานในเราเบื้องต้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า <c oughs> สาระที่เราต้องการคืออะไรเบื้องต้นเป้าหมายเป้าหมายที่เราต้องการนี่คืออะไรต้องชัดเจนอยู่นี้ก่อน ถ้าไม่ชัดเจนจุดนี้การทําอะไรก็ตามมันจะทําด้วยความไม่เต็มใจ <c oughs> มจะด้วยความลังเลทําด้วยความสงสัยถึงผลที่ได้นะ่ะเหมือนเราไปทํางานถ้าคนจ้างหรือนายจ้างยังบอกเป้าหมายเราไม่แน่นอนว่าเราจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่งานคนจะสําเร็จออกมาแบบไหนเนี่ยเราก็ ไม่รู้จะทำย่างไรว่าจะออกมาแบบไหนมีเนื้องานที่ทำค่าจ้างที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนี่ถ้าหากว่าไม่ชัดเจนจุดนี้เรากา็ทำด้วยความไม่เต็มที่แต่ถ้าหากว่าเรารู้เนื้องานที่ทำค่าจ้างที่ได้ชัดเจนเป็นที่พอใจแล้วก็ทำเต็มที่และสบายใจอันนี้คือหลักการทางโลก การทำกรรมาฐานก็เช่นเดียวกันแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าอันนี้เป็นการทำทางนามธรรมา ท, ทางด้านจิตใจการทำทางด้านทางโลกเป็นเรื่องทางด้านตั้งกายและวัตถุที่จับต้องได้สัมผัสได้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจทันทีที่ลงมือทำถ้าเรามีการฝึกฝนในสิ่งนั้นมาอย่างวิชาพยาบาลเนี่ยเรา ได้ฝึกฝนมาหลายปีก็จะเดาเอารมณ์มือทําแล้วก็จะรู้จักหน้าที่รู้จักเนื้องานเป็นอย่างนี้ว่าคนทําอะไรพราะฝึกฝนมาก่อนและมีการตกลงกันว่าเนื้องานนี้ทําในเวลาเท่านี้จะได้ค่าจ้างเท่านี้เราก็มีความมั่นใจและทําหน้าที่ได้เต็มที่เต็มความสามารถฉันใดก็ดีทั้งด้านจิตใจที่มันยากก็คือมันไม่เป็นอย่างนั้น คืใหมายควม่ามันสัมผัสแต่ต้องไม่ได้เหมือนกับหน้าที่ที่เราทําแบบทางวัตถุเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งใหม่ที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ะมือนก็เริ่มต้นตั้งแต่เรียนหนังสือเลยทีเดียวเหมือนเราจะเป็นพยาบาลเป็นพนักงานระดับต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเรียนอันนี้ก็เหมือนกันเราเริ่มต้นเรียน ใหม่เลยทีเดียวซึ่งมันก็จะต้องใช้เวลานใช้เวลาใช้ความอดทนซึ่งน้อยคนที่จะมีความพึงพอใจเพราะนอกจากต้องใช้เวลาแล้วผลที่เราจะได้เราก็ไม่ชัดเจนเนื้องานที่เราจะทําก็ไม่แน่น อ, น, อนนี่คือความยากของการปฏิบัติธรรมแต่อย่างไรก็ตาม มันมีสูตรมีหลักของมันอยู่ถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็อาจจะง่ายขึ้นกว่าทั้งโลกทีนี้ไอ้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยเราเริ่มต้นณนจุดไหนความเข้าใจเป็นเรื่องสาคัญนะระพุทธเจ้าท่านตรัสหลักเอาไว้ถึงเรื่องของมรรคในองค์แปดอันนั้นคือสูตรนะ่ะ ดังนั้นเบื้องต้นอี่ท่านข้อแรกที่สุดที่ท่านพูดถึงก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาธานาสภาพุขาอภิจกุงภาษาบาลีว่าคนไหนที่มีความเข้าใจชีวิตจิตใจถูกต้องแล้วคนนั้นจะพ้นจากความทุกข์และปัญหาทั้งปวงอันนี้สูตรหลักที่หนึ่งเลยทีเดียวลองลองพิจารณาให้ดีว่าคนไหนมีความเข้าใจชีวิตจิตใจได้ถูกต้องแล้วคนนั้นจะ ไม่มีความทุกข์และปัญหาทั้งปวงทั้งหมดที่ถามว่าเราตอนนี้เรามีความเข้าใจชีวิตจิตใจของเราถูกต้องหรือยังนี่อันนี้คือหลักอันแรกที่เราต้องตรวจสอบแล้วคำว่าถูกต้องไงแค่ไหนเพียงไรนะในสมา ธ, ธิที่ว่าทําความเข้าใจชีวิตที ถ, ถูกต้องทำความเข้าใจอย่างไรนี่ที่ ที่เราจะต้องรู้นิยามตรงนี้ก่อนเราค่อยเจาะลงไปที น, นิดๆนะว่าเราค่อยจะชี้ถูกต้องเนี่ยแค่ไหนเป็นความถูกต้องของใครและใครเป็นผู้ให้ความนิยามความถูกต้องเป็นสากลเพราะความถูกต้องของคนนั้นก็อีกแบบหนึง่งความถูกต้องของนักวิชาการก็อีกแบบหนึ่งความถูกต้องของคนทำงานก็อีกแบบหนึง่งนะความถูกต้องของผู้บริบหารก็บผู้บริหารก็อีกแบบหนึง่ง หรืความถูกต้องของพระก็อีกแบบหนึง่งที่นี่เราจะเอาความถูกต้องอะไรเป็นมาตรฐานนนั่นในมาพุยองแปดนั้นท่านนิยามเอาไว้ว่าความถูกต้องที่ว่าสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจชีวิตจิตใจถูกต้องท่านมีหลักนิยามอยู่สี่ประการหนึ่งให้เข้าใจว่าชีวิตนี้คือเป็นที่มาของความทุกข์ความสุขประการที่หนึ่ง ชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ให้เข้าใจก่อนแล้วขอ้อแท้จริงอันนี้เราสัมผัสได้ไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขความทุกข์จริงหรือเปล่าสัมผัสได้ไหมทุกคนเข้าใจนะมองหน้าพระอาจารย์ในยับตาทุกคนเข้าใจได้ไหมว่าชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของความสุขความทุกข์จริงจริงไหม จริงนะอันนี้คือนิยามมันที่หนึ่งสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้แล้วนั่งอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยโอ้อยู่ที่บ้านไม่เคยตื่นมาทีสองทีสามเนี้ยอันนี้มาตื่นทีสามมันจะไหวหรือเปล่าเราคิดอะไรใช่ไหมทุกข์ไหมกังวลแล้วทุกหรื อ, อยังเป็นเป็นความถูกต้องเป็นความเข้าใจเป็นความสัาเป็นข้อความจริงที่สัมผัสได้สัมผัสได้ไหมได้นี่ เออันนี้เราจะต้องแอบงีบนอนสักหน่อยตื่นเช้าเรือยเกินมันคิดื่วงหน้าแล้วใช่ไหมถ้ามันงั้นไม่ไหวแน่เนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยตื่นเจ็ดโมงแปดโมงกจะไปทำงานนับเก้ามงอันนี้อะไรตีสามตีสี่ตื่นมาแล้วจะไหวหรือเปล่าหาวอดวอดเนี่ยสุขหรือทุกข์คิดอย่างนี้สุขหรือทุกข์ทุกแล้วสัมผัสได้ไหมไสัมผัสได้นะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ แล้วมีความสุขบ้างไหมเนี่ยทั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมบอกมีนิดเดียวนะมาอยั ง, อยงสัมผัสไม่ได้ความสุขตรงไหนนะสมบัติไม่ได้เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อไรเราลืมนะลืมคิดมีช่วงไหมเราลืมคิดไปนิดหนึ่งถึงเรื่องกังวลอะไรต่างๆมันเผลอลืมไปอะ่ะรู้สึกมันลืมทุกข์มีไหมในช่วงอย่างนั้นมีไหม ในวินาทีนั้นมีบ้างไหมทั้งทีต่ตื่นมันลืมทุกัน์ไ อ, อมันสบายๆแป๊บหนึ่งแค่ไอ่ามันเหมือนช้างพับหงูงูแลบลิ้นจริงๆไอ้ความทุกข์เนี่ยวันไวน์มันมาไวแล้วก็ไปไวเรืเกินอ่าใจความทุกข์ความไม่สบายใจความวิตกกังวลมาได้เรื่อยๆแล้วก็มานั่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายใช่ไหมล่ะนั่งพลิกแล้วพี่อีกพีกซ้ายพีขวาพีหน้าพีา่หลังง่วงอ่ซึมอีกต่างหากทุกข์ไหม สัมผัสได้หรือยังสัมผัสได้เนี่ยฉันบอกว่าสัมผัสไม่ได้งไงที่ว่าเป็นนามธรรมาก็ไม่ใช่นะมันเป็นรูปธรรมชัด ๆ, ๆอะนะแต่ว่าเราไม่ค่อยฮิตถึงมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นความเคยชินเราทุกข์ซะจนชินอะจนไม่อยากจะทุกข์อะว่า ง, งั้นะแต่เราเคยเผชิญหน้ากับไอ้ความทุกข์แบบนี้ตรงๆมั้งไหมเราเคยหันหน้ามาเผชิญเคยศึกษาเคยเฝ้าดูเคยสังเกตเคยวิจัยอะไรกับมันมั้งไหมไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ย แล้วก็ทําไปลืมๆไปนะก็ไปหาเรื่องใหม่เข้ามาแทนคิดว่าหวังโครงการทางงาแต่ความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นนะเนี่ยปวดขามันง่วงมันเบื่อมันขี้เกียจมันไม่สนุกเนี่ยไอ้ความทุกข์อย่างเนี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยเราสัมผัสเราเฝ้าดูมันบ้างไหมไม่ใช่เฝ้าดูเพราะอะไรเพราะดูเหมือนว่ามันไม่มีสาระใช่ไหมก็มัน ม, มีให้เห็นอยใ่ทุกวันอะเลยไป อย่าไปเอามาคิดให้มันเสียเวลาทําไมสู้ไปคิดโครงการว่าเดือนนี้จะได้สองคันยังไงปีนี้จะได้สองคันเท่าไหร่เงินเดือนจะขึ้นอย่างไรแล้วค้าขายเที่ยวนี้จะได้กําไรเท่าไหร่สู้คิดอย่างนั้นไม่ได้มันเวิร์กมันมีความหมายกว่านะนะอันนี้คือความทุกข์ที่สัมผัสได้ละประการที่หนึ่งประการที่สองทุกนี้เกิดขึ้น ล, ยลอยๆหรือว่ามีเหตุอันนี้นิยามประการที่สองคำว่าสมาติที่แนะ ทุกนี่มันเกิดขึ้นมาลอยลยหรือว่ามันมีเหตุมีเหตุใช่ไหมมีเหตุแล้วรู้ไหมว่ามันเหตุมาจากอะไรทำไมเราต้องมานั่งตรงนี้ทำไมเต้องมาตื่นเช้าทำไมเต้องมานั่งกดของงอขิงโดยไม่ได้สาระอะไรทำไมต้องมาเดินท่องๆโดยที่ไม่รู้เป้าหมายว่าจะไปไหนเนี่ยคิดบ้างไหมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันมาเหตุมาจากอะไรอ่าต้องคิดละ่ะ แกเหตุว่าเอาละลําดับแบบโลกโลกอ่ะนะว่าออโครงการนี้นะเป็นโครงการที่เคยมีในโรงพยาบาลดุนพี่เขาทําตามกันมา เ, าเราก็ต้องพยายามทําตามผู้บริหารเขาต้องการอย่างนี้เราเต็มใจไม่เต็มใจก็ต้องมาเพราะในฐานะเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอ่าถ้าไม่มาก็อาจจะมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้คือความจริงและในระดับที่สัมผัสได้ แต่เอาละไหนไหนเนี่ยเราถ้าเราเชื่อว่าผู้มีความรับผิดชอบและผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาเราเนี่ยคงจะมีอสายหูสายตามีปัญญาเมื่อนงนเราไม่ให้เรามาทำเนี่ยพราะเวลาที่เรามาตรงนี้เนี่ยเป็นเวลาที่มีค่าไม่ใช่เวลาที่เสียไปเปล่าเปลาปลีา้ ป, ปี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความหมายอะไรนะ่เราเริ่มคิดบวกขึ้นมาอะ หมาความว่าถ้าเราไปคิดลบว่าไอ้ทําไมทำไมทําไมเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นต่อสถานการณ์ของความรู้สึกใช่ไหมก็เริ่มคิดบวกขึ้นมาว่าเอาคงจะต้องมีอะไรดีพอมาแล้วพระท่านก็บอกให้ทําอย่างนี้อย่างเนี้ยนะยกมือนะแล้วคอนเซปตที่เราได้รับทราบว่าเรื่องกรรมฐานเรื่องภาวนาเนี่ยต้องนั่งหลับตาต้องภาวนาต้องบริกรรมพุโทโธสัมมารหังหนุ่มพับหนังสือเดีพับหนังสือไม่ต้องอ่าน ตั้งภาพห you นังสือใช MM. <us. S 1> อ่าใจมันจะแบ่งออกไปหลายทางเลยใจให้มันใจอยู่ที่มือก็พอมันจะได้ไม่แบ่งไปหลายทางจะได้ฟังหลวงพ่อเข้าใจนะว่าในการทํารูปแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งได้กล่าวไปเมื่อวานว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่กับการเคลื่อนไหวตลอดยีิบสี่ชั่วโมงมีแม้ว่ามันหยุดการเคลื่อนไหวเลือดอยู่การเคลื่อนไหวลมอยู่การเคลื่อนไหวลมหายใจ อยู่การเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเรายังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตคือการเคลื่อนไหวเมื่อเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เอาการเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการภาวนารัดเข้ามาตรงนี้แต่ว่าการนั่งหลับตา กำหนดลมหายใจก็ดีบริกรรมก็ดีถือว่าใช้การเคลื่อนไหวใช้การเคลื่อนไหวของลมหายใจไงแต่ทําไมที่นี่เราไม่ใช้อ่ะเพราะมันน้อยเกินไปกําลังมันไม่พอแต่ปัญหาและความคิดที่เกิดขึ้นในจิตของใจในใจของเราเนี่ยมันมากมายนะตั้งแต่มาก้าวย่างเข้มนที้ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยประมาณเกือบสิบชั่วโมงแล้วเนี่ย ถ้าจะถามย้อนไปว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณคิดกี่เรื่องใครพอจะตอบได้ไหมไ ห, หลายเรื่องเลยเขาว่าหลายเรื่องน่ า, าจจะมากอาจจะน้อยก็ได้ใช่ไหมบางชั่วโมงก็คิดมากบางชั่วโมงก็คิดน้อยแล้วหลับไปแล้วก็ต้องฝันอีกจังหกักไม่รู้ว่าใครฝันดีไม่ดีเมื่อคืนนี้นะลมแรงด้เกินนะ พราะด้นในปีนี้ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรที่น่ากลัวหรือเปล่ปาซึ่งน้ำมีจะเข้าหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์เมืองไทยไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนั้นเอาไว้ด้วยนะว่าความคิดทุกๆชั่วโมงมันมีแม้หลับไปแล้วมันก็มีเอาละอะไรที่จะไปตอกก่อนกับความคิดที่ไม่ให้มันคิดอะที่เราจะหยุดใจา ก, การกับมันเนีถ้าสมมุติว่าเอาละเราเปิดไฟไว้ไนี่ตลอดเวลาเนี่ย แถ้าคืนทั้งวันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในป่าเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมนี่เราใช้ไฟปัน่นเมื่อเราเปิดไฟอย่างนี้นเราปั่นไฟแต่ลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นค่าน้ำมันขึ้นแน่ใช่ไหมค่าน้ำมันขึ้นแน่ละอ่าแค่เปิดวลาสองสมชั่วโมงนี่ก็ไม่ค่อยพอใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมคือความสิ้นเปลืองเกิดขึ้นความคิด เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่จับต้องไม่ได้ถ้าเราคิดไปเยอะๆเนี่ยถือว่าสินส้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วใครเคยคิดบ้างว่าไอ้ความคิดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเคยคิดบ้างไหมไม่ได้ซื้อมาได้หาคิดมันเลื่อยเบื่อไเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ในแง่ของพุทธศาสนา ความคิดถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ความคิดมีอยู่สามประเภทหนึ่งคิดในทางที่เป็นทางดีสองคิดในทางที่ไม่ดีสามคิดในทางที่ไม่รู้ว่ามันคิดหรือไม่คิดมีอยู่สามทางสามทางสามทางนี้ส่วนใหญ่เราคิดทางไหนหนึ่งคิดในทางดีสองคิดในทางที่ไม่ดี สามคิดในทางที่เราไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหรือเฉยๆเฉยๆเราย อ, ยอยู่ประเภทไหนฮะประเภทที่สามคิดแต่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีประเภทแรกก็เลือกคิดในทางที่ดีมันเป็น positive คิดในทางที่ไม่ดีก็จะเป็น negative แต่คิดในทางที่ไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีตรงนี้เขาเลือกเป็น neutral คือไม่แน่ อ่าเป็นเป็นยังยังเป็นนิวตรอยู่ยังเป็นอ n นเสอร์เทนอยู่ยังไม่แน่วันเป็นอะไรนะเอาล่ะเมื่อมันมีความคิดก็ต้องมีการสิ้นเปลืองไม่มีการสิ้นเปืองก็ต้องใช้เชื้อเพืองใช้พลังงานใช่เพราะนั้นเราก็จึงมีการกินการอยู่การสแสวงหาการใช้ทรัพยายกรต่างๆเข้าไปเพื่อทดแทนในส่วนที่เราคิดถ้าเราคิดมากๆคนในเมืองถึงกินมากไง คนที่อยู่คนคิ ด, ค, ดคิดมากกินมากกินแต่ละเวลานะร้านรวงมันเกิดในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยร้านรวงมันเกิดเป็นแบบนี้ไหมห้างในมีมไหมที่มีแค่ร้านไอ้ชาร้านขายของชํำหลือก็แทบจะไม่มีหากินบ้านใครบ้านมันแต่เดี๋ยวนี้ร้านรวงเกิดเยอะแย ะ, แยะไปหมดแสดงว่ามนุษย์กิน ไ, ไงงมากขึ้นหลายเท่าตัวใช่ไหมเพราะเขาสิ้นเปลืองอะไรสิ้นเปลืองความคิดความคิดมากมันก็ต้องออกมา ทำพูดไปไงพูดมากเมื่อพูดมากมันก็ต้องทำมากเมื่อทำมากก็ต้องเคลื่อนไหวมากการพูดการทำการคิดมากๆต่อเนื่องกันยาวๆพลังงานไปไงสิ้นเปลืองเยอะใช่ไหมนั้นก็มีการสูญเสียเนี่ยดังนั้ น, น, นอันนี้เป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์หลวงพ่อกำลังพูดถึงนิยามข้อที่สองนะมิคิพูดนิยามข้อที่หนึ่งเรื่องสุขทุกข์นั่นนี่คือเหตุของมันเพราะ มีการสิ้นเปลืองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตรงนั้นและการสิ้นเปลืองนี่เราเคยคำนวณมันไหมว่าปีหนึ่งหรือว่าชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราคิดไปแล้วกี่เรื่องหมดไปเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่จะมาตอบสนองที่ความสูญเสียเนี่ย <c oughs> เราไม่เคยคํานวณออกมาเป็นตัวเลขได้นะเพราะมันกลายเป็นออโต้กลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นความเคยชินอันนี้คือเหตุแห่งทุกข์คือท่นเรียกว่าความอยากนะท้าเรียกว่าความอยากคืออยากนั่นอยากนี่ประการแรกก็ต้องอยากคิดซะก่อนเลยนั่งอยู่เฉยๆหาเรื่องมาคิดนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้ต้องหาเรื่องมาคิดมาทํานะนี่ก็คือความอยากถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้คิดไม่ได้ทำพูดอะไรเนี่ย นี่นั่งเฉยๆสักชั่วโมงได้เคยนั่งไหมในชีวิตเนี่ยของเราพวกเราเคยนั่งไหนั่งเฉยๆไม่คิดไม่ทําอะไรเคยไหมไม่เคยเลยเห็นไหมอ่าแล้วมันเป็นเรื่องยากหรือเปล่านั่งเฉยๆไม่คิดไม่พูดไม่ทํำเลยเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายยากอย่างไหมแต่นั่งแล้วได้คุยได้พูดได้คิดได้ทำโน่นทำนี่เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมเพราะมันชินไปทางนั้นแต่พระกลับเป็นเรื่องง่ายนะตรงกันข้ามเลยทีนี้เอาละ ระหว่างการทํากับการไม่ทําเนี่ยอันไหนสบายอันไหนไม่สบายสมมติอยู่เฉยๆกะลงมือไปทํางานเนี่ยเอาง่ายๆก่อนกับต้องไปทํางานครับอยู่เฉยๆสบายๆเนี่ยอันไหนอันไหนรู้สึกสบายกว่ามันก็บอกเราว่าอยู่เฉยๆมันสบายใช่ยหมแต่ทํำไมคนที่อยู่เฉยไม่ได้ อยู่เฉยสองอย่างนะหนึ่งอยู่เฉยแบบมีคุณค่าสองอยู่เฉยแบบไร้คุณค่าเขาเรียกอยู่เฉยแบบขี้เกียจเนี่ยไร้คุณค่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่อยู่เฉยแบบมีคุณค่าเช่นเรานั่งสมาธินี่อยู่เฉยไหมเฉยเราเจริญสตินี่ก็อยู่เฉยเยไม่ได้ทําอะไรอันนี้เขาเรียกเฉยแบบมีคุณค่าเพราะการเฉยแบบไร้คุณค่าเพราะ กายกับใจไม่ได no, ้อยู่ด e ้วยกันเฉยก็จริงแต่มันเฉยแต่ข้างนอกแต่ข้างในมันเฉยไหมไม่เฉยการที่เราอยู่เฉยเฉยโดยที่กายกับใจไม่อยู่ด้วยกันก็เรียกว่าการเฉยแบบไร้คุณค่าการเงียบแบบไร้คุณค่าการนิ่งแบบไร้คุณค่าแต่เมื่อไรเรานิ่งเราเฉยเราเงียบโดยกายกับใจอยู่ด้วยกันนั้นเรียกว่าการนิ่งการเฉยการเงียบอย่างมีคุณค่าอันสูงเช่นพวกเรามาทําเนี่ยมาทํากายกับใจให้อยู่ด้วยกัน แต่ในเมื่อนั่งอยู่เฉยๆมันยังอยู่กันไม่ค่อยได้ก็ใช้วิธีกระตุ้นมันเอากระตุ้นให้มันอยู่กับจินกับมือกับการเคลื่อนไหวนี่เราอยู่เฉยๆนะแต่การกระทํานี้เป็นตัวกระตุ้นให้กายกับใจมาอยู่ด้วยกันอันนี้การนิ่งเฉยแบบมีคุณค่าถ้าเรานิ่งเฉยแบบไร้คุณค่าก็เป็นเหตุเกิดทุกข์เหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นนะ ทีนี้พอเราเฉยแบบมีคุณค่าคือกายกับใจอยู่ด้วยกันเมื่อกายกับใจมันอยู่ด้วยกันน่ะความคิดเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เมื่อความคิดไม่เกิดขึ้นการกระทานอกเรื่องนอกราวก็ไม่เกิดการพูดนอกเรื่องนอกราวก็ไม่เกิดอย่างนี้ทุกไม่เกิดเรียกว่าอะไรเป็นนาไปสู่ มิติที่สามของคําว่าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องอันที่สามนะคือเราจะเฉยแบบไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําไม่ต้องพูดและไม่ต้องคิดด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าการดับทุกข์ทุกข์ดับตรงนี้แต่ว่ามีข้อแม้ว่ากายกับใจต้องอยู่ด้วยกันนะถ้าเฉยถ้าเงียบถ้ากายกับใจอยู่ไม่มีประโยชน์ก็เท่ากับเป็นทุกข์นั่นเอง แต่ว่าเฉยแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรในเคยมีบ้างนนในชีวิตสักชั่วโมงหนึ่งมีไหมหนุ่มไม่มีเลยทั้งได้เกิดแต่หน้าวันนี้เราจะทำให้มันมีนะหน้าชั่วโมงนี้เราจะทำให้มันมีหน้าวันนี้ไปเนี่ยเราจะทำให้มันมีใช้ความพยายามอย่างสูงสุดให้ความนิ่งความเฉยความอยู่เฉยเฉยประเภทนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้คือกายกับใจอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ นี้ทกุก็จะเริ่มดับไปเรื่อยๆทุกเนี่ยเราทุกมากี่พบกี่ชาติกี่พันกี่หมื่นปีเนี่ยมันจะเริ่มดับไปลวถ้าเป็นไฟก็เราเริ่มเราเริ่มเอาน้ำดับไปเรื่อยๆลนะนะมิติที่หนึ่งให้รู้ว่าชีวิตที่เป็นที่อยู่ของทุกมิติที่สองให้รู้ว่าทุกที่เรามีอยู่นี่มีเหตุมิติที่สามให้รู้ว่าการดับทุกมีอยู่ แล้วมัมิติที่สี่สุดท้ายในนิยามของคาว่าสมาธิคือวิธีการนั้นที่จะให้ทุกเนี่ยปัญหาต่างๆคือวิธีการได้ทํทำกายทำใจให้อยู่ด้วยกันเนี่ยมีอยู่เหมือนกันเพราะนั้นกายกับใจจะมาอยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่ว่ามาทำเอาเฉยๆนะมีวิธีการวิธีการตรงนี้เขาเรียกว่ามัก ดูแล้วในสมาธิที่ที่ให้เกิดความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องสี่อย่างก็คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธรวมเรียกว่าอริยสัจ ส, สีอ่านี่พระพุทธเจ้าค้นพบสูตรอันนี้พระพุทธเจ้าค้นพบหลักอันนี้แล้วมาบอกเราแต่เราก็ใช้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างหรือเราไม่ใช้เลยเพราะอะไรเพราะไม่พบคนรู้ ที่จะมาบอกเราหรือพบแต่ท่านก็ไม่ได้บอกเราแจ่มแจ้งท่านก็ไม่ได้ทำให้เป็นตัวอย่างให้เราชัดเจนเราก็ไม่มีศรัทธาที่จะทําตามไม่มีศรัทธาที่จะศึกษาไม่มีศรัทธาที่ทำตามไม่มีศรัทธาศึกษาเราได้ผลไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําหลักอันนี้ให้เกิดประโยชน์ต้องเริ่มต้นที่อะไรมีศรัทธาอ่าตัว น, นี้ถามว่าเรามีศรัทธาแล้วหรือยงัง ต้องถามตรงนั้นก่อนนะจู่ๆจะไปทําให้ทุกนี้มันหมดไปศึกษาเรื่องทุกอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธานะมีเหมือนกันครับแต่ศรัทธาแบบบังคับมาไม่อันนี้ก็ไม่สําเร็จเหมือนกันนะะต้องมีศรัทธาอย่างเต็มจิตเต็มใจนะอย่างที่ว่าอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใจอยากจะเห็นความจริงข้อนี้อันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วไปไงลงมือ แต่ศรัทธาที่มันจะเกิดเป็นศรัทธาแบบไหนล่ะถามว่าผมก็มีศรัทธาครับถ้าผมไม่มีศรัทธาผมไม่มาจะ่ศรัทธาแบบไหนล่ะศรัทธาในหลายอย่างนะศรัทธาในพุทธรูปศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในผู้วิเศษศรัทธาในรูปในเหรียญศรัทธาใน พิธีกรรมมันหลายศรัทธานะศรัทธาเหล่านี้ถูกต้องไหมผมศรัทธาหลวงปู่นั้นผมศรัทธาหลวงพ่อนี้แต่เราไม่ได้ทําตามในสิ่งที่ที่เราศรัทธาหรอกนะแล้วก็กล่าวว่าทุกวันแต่ถ้าหากท่านชนปฏิบัติผมก็ยังไม่มีเวลาครับถือว่าศรัทธานี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะศรัทธาที่ผิวเผินมากแต่ศรัทธาที่จะเกิดประโยชน์ตรงนี้ได้มันมีอยู่สี่อย่างเหมือนกันหนึ่ง ศรัทธาในการกระทำสองศรัทธาในผลของการกระทำสามศรัทธาในการทําด้วยตนเองไม่ให้คนอื่นทำสี่ศรัทธาในผลที่ตนเองได้ทําไม่ใช่คนอื่นทําให้เข้าใจไหม ถราแบบนี้เข้าใจหมหนึ่งศรัธาในการกระทําถ้าสมมุติว่าเราเหลือ่องเอื้อเรื่องใส่หลวงพ่อคูอนี้นะหลวงพ่อคูณบอกให้ทํานี้เราเราศรัทธาแต่ว่าสิ่งเราไม่ได้ทําตามในสิ่งที่ท่านบอกอันนี้เรียกว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ทําตามในสิ่งที่ท่านพูดเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระพุทธเจ้าและท่านจาดคําสอนไว้ที่เราสวดเนี่ยเราทําตามนั้นได้บ้างไหม บอกไม่ได้ครับผมยังทําไม่ได้นี่เรามีศรัทธาชั้นเดียวชั้นที่สองคือลงมือทํายังไม่มีแล้วไม่รู้ว่าทําไปแล้วได้ผลอย่างไรเราก็ไม่มีนะแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือด้วยตนเองด้วยเห็นคนอื่นเขาทำเราเกิดศรัทธาเห็นคนอื่นเขาได้ผลเกิดศรัทธาแล้วผลที่เราสัมผัส ด, ด้วยตนเองในการกระทํานั้นเราก็ยังไม่มีเหมือนกันนี่คือหลักสําคัญเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดที่ต้องปลูกศรัทธาก่อนศรัทธาเราจะแปลว่า ศรัทธาในพุทธศาสนาเราไม่ใช่เราไม่แปลคาว่าไม่ใช่คาว่าบิีฟนะเราไม่ใช่าาคาว่ า, วา Believe, เ t สแต่เราใช้คาว่าคิดเอนคือความเชื่อมัน่นนะิดเในในศาสนาอื่นเขาใช้คำว่าเฟส f a i t h เอความศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในผู้สร้างศรัทธาในพระอินทร์พระพรหมศรัทธาในอ่า สิ่งวิเศษ น, นั้นเป็นศรัทธาแบบนั้นศรัทธาในรูปในเหรียญศรัทธาในหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้เป็นเฟซแต่ศรัทธาในพุทธศาสนาไม่ใช่เฟซไม่ใช่บิลิฟแต่เป็นคอนฟิดเอนท์แต่ว่าความมั่นใจความเชื่อมั่นมั่นใจในการกระทํามั่นใจว่าฉันทําได้ในไอ้สามสี่วันเนี่ยมั่นใจว่าฉันจะเดินจกกุกุมได้สร้างจังหวะได้ตลอดโดยที่ไม่ไม่ไม่ขี้เกียจเลยเนี่ยมั่นใจไม่ว่าจะทําได้อื มั่นใจไหมแล้วมัม่นใจออลองลองดูนะตรวจสอบดูว่าความเชื่อมั่นอย่างนี้มีไหมในตัวเองถ้าความเชื่อมั่นอย่างนี้ไม่มีถือว่ายังไม่มีศรัทธาอ่าถึงจะมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วเราก็ลงมือทํานะลงมือทำเรียกว่าวิริยะความเพียรที่เราทําเนี่ยแต่ถ้าหากว่าทําด้วยความบังคับทําด้วยความเกรงใจทําด้วยความกระแสพพาไปทําด้วยความอ่าอยากหรือทําด้วยความ อ่อย่างเสียไม่ได้อันนี้ถือว่ายังไม่มีศรัทธาเนะ่แต่ทําเพื่อจะรู้ว่ามมันเป็นอย่างไรยกมือเนี่ยฉันต้องสังเกตดูที่ยกแล้วมันมันเป็นอย่างไรเนี่ยยกแต่ละครั้งที่เขาว่ารู้สึกดวนรู้สึกอย่างไรไอฉันก็รู้สึกอยู่เนีเย็นละอ่อนแข็งแข็งตึงฉันก็รู้สึกอยู่ถ้าว่าฉันไม่รู้สึกได้อย่างไรคำว่ารู้สึกนี้ถูกต้องไหมก็ยังไม่ใช่ความรู้สึกเย็นละอ่อนแข็งแค็งตึงที่เรารู้สึกนี้เราไม่เรียกว่าความรู้สึกเราเรียกว่าเวทนา เราไม่เรียกว่าสติอ่าเอ้ฉันก็รู้สึกนะคนไม่รู้สึกคนตายเท่านั้นเองถามว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ที่เราต้องการที่จะทําให้เกิดที่นี่นหมไม่ใช่อันนั้นถามอันนั้นเป็นความรู้สึกโดยธรรมชาติทั่วไปแม่สุนัขหมูห ม, มากาไก่มันก็มีความรู้สึกเขาเรียกว่าสัญชาตญาณเวทนานเนี่ยมีอยู่ในสั ต, ตว์ทุกตัวทุกตนแม้แต่ยุง ม, มาก่อเราเราจะตกมนะัน มันก็จะวิองอ่งหนีใช่ไหมมันก็รู้สึกกลัวเหมือนกันกลัวตายสัญชตาตญาณนี้มีอยู่ในสัตว์เล็กจนถึงเราความรู้สึกที่เรามีอยู่เรียกว่าเวทนาหรือสัญชตยาตญาณยังไม่ใช่สติเอา้าความรู้สึกที่เป็นสติเป็นอย่างไรสมมติว่านั่งๆอยู่นี่นะรู้สึกหันที่หลังความคิดแรกเกิดขึ้นอย่างไร อ่าอยากอยากเกาใช่ไหมแล้วมันก็นึกไปว่าคงจะมีอะไรยุงมาเกาะใช่ไหมแล้วก็มือก็ไปรู้สึกว่าคันแล้วมือเข้าไปไปไล่อันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นสติไหมเป็นไหมเป็นสติแบบสัญชตาตญาณไม่สติไม่ใช่สติประฐานอาสติประฐานเกิดขึ้นตรงไหนอะ่ะเมื่อรู้สึกคันที่หลังแล้วดู นะอย่างอีมื อ, อยังไม่ไปนะดูนี่คันอะคันนี้มากนน้อยรู้ว่าไอ้ที่คันแค น, นี้มันใช่ยุงหรือเปล่าหรือว่าตุ่มหรือว่าไอ้ผื่นเก่าที่มันเป็นอยู่มันไม่หายดูความรู้สึกมันคันมากคันน้อยดูจนชัดแล้วก็ค่อยๆยกมือไปเกาอย่างรู้สึกนี่ความรู้สึกชนิดนี้เรียกว่าความรู้สึกที่เป็นสติปัฏฐาน คือได้พิจารณาได้ใครควรวญในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้วลงมือทำอย่างรู้สึกตัวมีบ่อยไหมคนรู้สึกอย่างนี้มีบ่อยไหมน้อยมากนะมันน้อยมากนะแทบจะไม่เกิดเลยแต่ณนะบัดนี้ณนะที่นี่เนี่ยเราจะฝึกความรู้สึกแบบนี้ <c oughs> อันนี้พูดถึงเป้าหมายนะ อ่าทุกพูดึเป้าหมายเราจะทําความรู้สึกอย่างนี้นะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ่ที่ไปที่มาในเป้าหมายเราจะทําอันนี้อ้าต่อไปพูดถึงเนื่องงานนะมันเป้าหมายคือสมมุติว่าเราไปทำงานเป้าหมายคือต้องการได้เงินเดือนสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดมื่นก็แล้วแต่แต่เนื่องงานที่เราจะทํำล่ะคืออะไรก็คือความเพียรคือมานั่งยกมืออ้า่ทำไมต้องยกเลยอ่ะมันไม่มียูงมาเกาะที่จะให้เกาไปยกอ่า ไปยกคนทําไมถ้าจะถามว่าคุณจะกินข้าวมือ eze, ม้อเนี้ยมื้อเช้าเนี่ยคุณไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไม่ต้องเตรียมอาหารไม่ต้องมีเงินอันแรงต่างพอถึงเวลาคุณก็ไปหากินเนี่ยมันจะได้กินสะดวกไหมหรือไม่มีไม่มีคนเตรียมอาหารไว้เลยเนี่ยมันจะได้กินสะดวกมันจะได้กินตามเวลาไหมไม่ได้เพราะถามว่าเพราะเพราะเราไม่ได้เตรียมนะเพราะเราไม่ได้เตรียมฉันใดก็ดี <c oughs> การที่เราจะมีสติรับรู้ว่าเออตัวนี้ยุงกัดหลังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาแล้วก็เอามือไปสำรวจว่ามันยุงหรือมันเป็นผื่นเก่ากันแน่เอามือไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ค่อยบำบัดความคันตัวนั้นให้หายไปเนี่ยไอความรู้สึกเกิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะต้องสร้างต้องสร้างต้องทำนั่นก็คือเรามาสร้างเนื้อ ง, งานให้เกิดตัวนั้นความรู้สึกในการไข้ควรพิจรารณา ในสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปอย่างมีสติสมาธิปัญญานะ <c oughs> หรืออ่าตัวอย่างอีกนิดหนึง่งว่าเราที่ทางานเราเลิกงานแล้วไปเจอเพื่อนเก่ากนา็นั่งนั่งอ่ากินเหล้ากันอยู่นะโอ้พอดีไม่เจอกันนานแล้วเชิญเชิเชทั้งนี้หน่อยเราก็เห็นเพื่อนเก่าเราเจะไปฏิเสก็ดูอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็เล่เข้าไปเออเราทางาน ตรงนี้เขาไมา่ให้กินเหล้านะเราก็ไม่ได้กินมานานแล้วนี่นะแล้วก็มาอบรมกับหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อบอกกินเหล้านี่ไม่ดีนะกินถูกยานี่ไม่ดีนะเอ๊ะตอนนี้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะเอาแบบไหนเริ่มคิดละเอาแบบไหนดีไม่ผิดศีลด้วยถ้ากินแล้วก็ต้องผิดศีลจิตหนึ่งก็บอกไม่เปไ็นไรานานๆนนนนทีแล้วก็เพื่อนเก่าแล้วถ้าไม่กินคงเสียใจกันแย่ มันใจมันก็เถียงกันข้างในใช่ไหมอันหนึ่งมันก็บอกจะกินเห็นแก่เพื่อนอันหนึ่งบอกไม่ได้นะหลวงพ่อบอกว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้ไปกินเรากินยาแล้วมันจะไม่ก้าวหน้านะแล้าก็อยากจะก้าวหน้าได้รับความสุขสงบบ้างแต่เพื่อนมันชวนจะทําไงจิตสองในจิตสองหิมมันจะเถียงกันขนาดทะเลาะกันขนาดหนักเลยอันนี้แหละระหว่างดูจิตสองจิตที่ทะเลาะกันแล้วจะเอายังไงดีแล้วในที่สุดใครเป็นผู้ชนะ เราจะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะมาอยู่ตรงไหนระหว่างจิตสองดวงเนี่ยใครจิตแบบไหนจะเป็นผู้ชนะมาอยู่ตรงไหนใครเป็นคนที่จะบอกว่าทำตามจิตดวงไหนใครเป็นผู้บอกนะศรัทธาศรัทธาเราศรัทธาที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรือว่าจะให้มีศรัทธาใน ใช้ชีวิตแบบเก่าๆเดิมๆมาเราจะมีศรัทธาแบบไหนตรงนี้เป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ท้องสร้างหรือตัวอย่างที่ลึกไปกว่านั้นนะตัวอย่างที่ลึกเปกิว น, นเราทํางานในที่ทํางานเราเพิ่งจบใหม่ๆเพิ่งเข้าทํางานเนาะความรู้ก็ดีความสามารถก็ดีรอเลาเอาการเนื้อหอมนะอ่าคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบ แต่เรามีแฟนคนไว้คนหนึ่งแล้วอ่าแฟนของเราต่างหากแต่มาที่ทํางานแต่คนก็คนนั้นชอบคนนี้ชอบมีความสามารถหลายอย่างแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเรามีแฟนมาก่อนแต่แล้วก็รู้สึกว่าถูกอัตยาัยกับเราด้วยเอหลายวันต่อหลายวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความซึมซับเข้าไปทีละนิดละนิดละนิดชักชอบคนนี้แล้วเนี่ยเอา แ, แฟนคนนั้นทําไงเอาไม่เป็นไรเอาเผือเลือกนนะ คิดแหละเอาเหตุการณ์มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลยคนใหม่เขก็ชนไปนู่นไปนี่ชนไปกินข้าชวชนไปเที่ยวอ่คนเก่าเราก็เคยผ่านมาแล้วคนใหม่ในสถานการณ์นี้นี่มีไหชีวิตจริงมีใช่ไหมแล้วเราเคยชนะจิตดวงไหนมันชนะที่จะไปตามรักษาคนเก่าไว้หรือจะไปตามคนใหม่จิตดวงไหนมันชนะเคยเคยสังเกตไหมโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตมาก นะส่วนใหญ่ก็เป็นไงเลยตามเลยแล้วอะไรเกิดขึ้นทะเลาะกับแฟนคนเก่าแล้วก็ทะเลาะกับแฟนคนใหม่ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่เราสัมผัสกันทุกวี่ทุกวันและเหตุเกิดทุกข์มันมาจากอะไรมาจากการที่เราขาดความยั้งคิดพิจารณาว่าเมื่อความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าไปดูมันไหมว่าทำไม เราจรึงคิดทำไมเราจรึงชอบนึตจนจออยู่ตรงนั้นน่ะเมื่อไปอ่าสัมผัสเราก็พลาดกับคนเก่ามาแล้วเอาคนใหม่เราจะพลาดอีกเนี่ยล้วก็ทุกข์ความตายแล้วเนี่ยเราจะทุกข์อีกไหมเนี่ยนี่เราเรียกว่าเราไม่เราขาดปัญญาเมื่อขาดสติแล้วปัญญาก็ขาดเมื่อขาดปัญญาแล้วก็ไม่เห็นเหตุของทุกข์เมื่อไม่เห็นเหตุของทุกข์เราก็ทําความผิดอย่างนี้ยซ้ําำซากไปแล้วแล้วเราเรความผิด เล็กๆน้อยๆที่เราทำซ้ำซากก่อขึ้นตัวเลน่นนิดเดมีพลังไหมอะไรก็ตามสิ่งที่เราทํำบ่อยๆมันกลายเป็นอะไรกายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินใช่ไหมแล้วเราก็ทุกอย่างเคยชินทุกซ้ําแล้วซ้ําเล่าถ้าเป็นบาดแผลก็เรียกว่าแผลเก่านั่นแหละเป็นแล้วเป็นเล่าไม่หายสักทีแต่บางคนมีปัญญาโอ้โหอันนี้เราเจ็บมานานเราทำไมต้องโดนเจ็บแต่อีกนั่นเนี่ย มันเกิดสติขึ้นมานะแผลเนี่ยเราโดน แ, แล้วโดนอีกเนี่ยทําไมต้องมัเจ็บแล้วชีวิตมันจะมีแต่เรื่องอย่างนี้เท่านั้นหรือมันเริ่มมันเริ่มทักท้วงด้วยนี่เขาเรียกว่าเริ่มได้สติกว่าจะได้สตินี่นานไหมอู้หูนานมาหากบางทีคึ่งข้อนชีวิตยังไม่ได้สติเลยเสนาจะก็เลยแต่ชีวิตมันก็เลยเป็นทุกข์ไงมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทุกข์แล้วทุกข์อีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําเก่าซ้ำใหม่ความผิดพลาดเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำนะพุทธเจ้าบอกแต่อย่าทำบ่อยทุกอย่างไม่มีใครเราไม่ทำผิดพลาดแต่อย่าทำบ่อยความดีให้ทำบ่อยๆเพื่อให้มันมีพลังที่เหนือกว่าแต่ใ น, นเมื่อเราสิ่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราฟังเสียงปลุกเมื่อยน้ำหยุดน้อยๆหยุดบ่อยๆก็หมดต่ง เงินทองมีแต่น้อยใช้บ่อยๆก็หมดกระเป๋าเหมือนกันนะความผิดทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆก็เป็นนิสัยเป็นความเคยชินความทุกข์จึงเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องเป็นนักปฏิวัติหมายเขาว่าสิ่งไหนที่มันต่อสู้กันในใจระหว่างความดีความไม่ดีเนี่ยก็ต้องเพิ่มกําลังให้ความคิดที่ดีนั่นคือมาเพิ่มสตินี่ไงเพิ่มสติเพิ่มปัญญาด้วยการกระทา แล้ววันหนึ่งถ้ามันมีสิกสงครามเกิดขึ้นในใจของเราแบบนี้ที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีคนนั้นเขาก็ดีนะดีคนละแบบคนนี้เขาก็ดีนะดีคนละแบบเราจะเอาแบบไหนแต่ว่าถ้าจะเอาทั้งสองคนมันก็ผิดศีลผิดธรรมมันเลก็ต้องให้เหลือคนเดียวแล้วจะทํำยังไงโอ้โหคิดกันหนักเลยนะคิดหนักเอามันกลัวคิดไปคิดมามันเครียดใช่ไหมก็ต้องไปหาเพื่อนวางสู่บุรีคิดเล้าเริ่มแล้วความชั่วใหม่ๆเกิดขึ้นมาตามแล้วเพราะไม่รู้จะเอาอยัางไง อะจะทิ้งคนนั้นก็ไม่ได้รักกันมานานจะทิ้งคนใหม่ก็ไม่ได้แต่ว่าเขาถูกอดิอายานใสโอ้โหมันเป็นสึกที่หนักมากในใจทั้งหญิงทั้งชายเจอกันมาทั้งนี้ตั้งนา น, นใช่ไหมปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรต้องมีอะไรเป็นเป็นนิสัยเป็นธรรมเนียมมันมีอะไรนะมีกิ๊กเห็นไหมมันกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วอะ่ะแล้วก็เป็นบาปของสังคมไปแล้วอะ่ะแล้วกลายเป็นความชอบทำไปแล้วนะเป็นความชั่วที่ชอบทำํำ แล้วโลกมันถึงเป็นมิจฉาทิฐิแต่ตรงข้ามที่บุริษชาติ้องจัดถึงสัมมาทิฐิใช่ไหมแต่ว่าโลกนิยมเอาสัมมาทิฏฐิมาเป็นธรรมเนียมแล้วอะทําไงทุกต้องเกิดความวิบัติต้องเกิดความเดือดร้อนต้องเกิดความแปรปรวนต้องเกิดโลกนึงถึงเป็นวิบัติไปน า, นานๆเลยนะที่เราเห็นนะ่ะต้องเดือดร้อนกันไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์สังสมเอาล่ะ ทีนี้ถ้าคิดว่าสิ่งเหล่าเนี้มันเป็นวิสัยของโลกคนอื่นเป็นได้เราก็เป็นได้เราคิดอย่างนี้ถูกไหมเมื่อเราคิดว่าคนอื่นเป็นได้เราก็เป็นได้เมื่อคนอื่นทุกเราก็ต้องเป็นไงต้องทุกข์ด้วยอ่าคนอื่นลำบากเราก็ลำบากด้วยอ่คนอื่นเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนด้วยเราจะมาคอมเพลนหรือจะมาบ่นว่าได้ไหมเอ๊ะทำไมต้องไปอย่า ง, งี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นไงสายไปเสียแล้ว แต่ณวันนี้เราจะทำยังไงที่ไม่ให้สายก็ต้องมาสร้างตัวเนี้เอ๊ะกรรมฐ า, านเราก็ทํานะวัดเราก็เข้านะพระเจ้าเราก็พระก็ไหว้นะแล้วก็ทำมานานแล้วไอ้ความคิดไอ้ไม่ดีแบบนี้มันก็ยังมีอยู่มันไม่มีกําลังจะเอาชนะใจตัวเองได้ทําไงอย่างนี้ก็เยอะนะใช่ไหมฉันก็เคยทามานะเนี่ยกรรมฐ า, านาก็ทำมานานแล้วเนี่ยแต่ทําไมไอ้ความคิด อยากเล็กๆน้อยๆที่เป็นนิสัยที่ฉันนี้เลิกไม่ได้อยู่เนี่ยฉันก็ยังเลิกไม่ได้จะทํำยังไงนี่คือปัญหาต่อมาสําหรับคนที่เคยทําแล้วมีใช่ไหมมีนะเออ เ, อ, อเล่าผมก็เลิกได้ตั้งนานแล้วผมกลับมากินใหม่กิกผมก็เลิกไปตั้งนานแล้วผมก็มามีกิเก็ใหม่อีกเนี่ยเห็นไหมมันมันยากตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าเหตุเกิดทุกวิธีการวันนี้เรามาหาวิธีการนะ เรามาหาวิธีการก็คือต้องมาสร้างพลังภายในพลังมีสองอย่างคือพลังภายนอกกับพลังภายในพลังภายนอกอาศัยกายพลังภายในอาศัยจิตเพราะฉะนั้นเรามาสร้างตัวพลังภายในคือตัวพลังจิตแต่พลังภายในในความหมายของทางโลกนะมันก็คือความหมายอีกแบบนะมันเป็นพลังมันไม่ใช่เอเนรจีเนี่ยพลังภายใน มิท์อพาวเวอร์มันไม่ใช่มินท์เอร์เอนดีนะดังนั้นเราต้องมาสร้างพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าพละอินทรีย์พละมีอยู่ห้าอย่างพลังภายในนะจําไว้หนึ่งมาสร้างพลังศรัทธาให้เกิดศรัทธามากกว่านี้ที่จะทําเนี่ยถ้าศรัทธาเพียงแค่ น, นี้ไม่พอให้มีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ ฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะนั่งสร้างจังหวะได้ชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้ไหมวันนี้ฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะามาต้องนอนกลางวันละนะฉันจะดำโดยจูงปูมสร้างจังหวะสลับกันตลอดให้มีความเชื่อมั่นอันนี้ก่อนหนึ่งพลังความเชื่อมั่นสองเมื่อเชื่อมั่นแล้วลงมือทำได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกาไปแล้วในเชื่อมั่นว่าทําได้เนี่ยทำไปแล้วมันขี้เกียจมันเบื่อมันหิวมันง่วงมันปุ้งแต่งมันฟุ้งซ่านมันหงุดหงิดมันปวดมันเมื่อยแก้ไขได้สู้ได้นี่อันที่สองต้องมีตัวนี้ด้วยมีศรัทธาทําสิ่งไหนต้องมีอุปสรรคในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่มีอุปสรรคสิ่งนั้นไม่มีค่าสิ่งใดที่มีอุปสรรคมากมีค่ามากนะสิ่งสิ่งไหนมีอุปสรรคมากมีค่ามาก เพราะนั้นเมื่อมีอุปสรรคอย่างนี้ถ้าเราจะต้องการสิ่งมีค่าเราไม่ต้องกลัวอุปสรรคต่อสู้สองต้องมีพลังอันนี้เขาเรียก ว, วิริยาภล ا อันที่สามทำอย่างรู้เท่ารู้ทันไม่ใช่ทําไปดุยดยหรือไปทําไปเฉยเฉยรู้ว่าที่ทำอย่างนี้ที่นั่งไปแล้วมันปวดขาเ น, นี่มันเพราะอะไรนั่งไปแล้วมันง่วงเนี่ยเพราะอะไรรู้ที่ไปที่มาของอุปสรรคและปัญหาที่เกิดที่มันเบื่อนี่สาเหตุเพราะอะไร การเข้าไปตรวจสอบของอุปสรรคและปัญหานี่เราเรียกว่าสติพละนี่มีสติในการตรวจสอบนั่งเปละมันง่วงมันเงามันซึมแล้วหาเหตุนะหาเหตุลืมตาคงกว้างนั่งตรงๆหายใจลึกๆแก้ง่ายๆถ้ามันมีศรัทธาจริงนะมีความตั้งใจจริงนะ เมื่อมีสติภระมีการรู้เท่าทันปัญหาต้องมีการแก้ไขมันอย่างจริงจังตั้งใจเรียกว่ามีสมาธิภละและเมื่อแก้ไขได้แล้วก็เจ็บบทเรียนอันนั้นแก้ไขปัญหาผุทธศัพต่อไปเรียกว่าปัญญาต้องมีกำลังถึงห้าอย่างก็ศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภระปัญญาภละจำได้ไหม จำได้นะวันนี้เราเอาไปทําดูอ่าสมมติเรานั่งสร้างยังวะเนี่ยมีสัตย์ทายที่จะนั่งอะไรจะง่วงจะเหงาจะเจ็บจะปวดเกิดขึ้นฉันแก้ไขฉันต่อสู้มีพิเยพภะละและต่อสู้อย่างรู้ที่ไปที่มาเพื่ออะไรมีสติภะละและ้วก็ต่อสู้อย่างเข้มแข็งดื้อบุญต่อเนื่องไม่ไม่ท้อถอยมีสมาธิภะละแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้สําเร็จเรียกว่าปัญญาภะละมีกําลังทั้งห้าอย่างนี้ทําอะไรก็สําเร็จอย่าว่าแต่มาปฏิบัติกรรมฐานเล คุณจะทำการทํางานจะเอาตำแหน่งพออจะเอาตําแหน่งหัวหน้าจะเอาตําแหน่งเงินเดือนดีตําแหน่งสองขั้นสําเร็จถ้าใช้กําลังทั้งห้านี่นะถ้าใช้อย่างถูกต้องอืแต่ว่าต้องไปสำรวจให้ดีว่าทําแค่ไหนเพียงใดตามกําลังของตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่าการมาศึกษาทางนี้เนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมและก็ไม่ต้องอาศัยการเวลาที่เตรียมตัวยาวนานเหมือนกับที่เราหาความสําเร็จทางโลก ถ้าเราเข้าใจนะเพราะในพุทธศาสนาต้องการความเข้าใจถูกต้องเท่านั้นไม่ต้องการการเวลามากมายรู้ไหมว่าองค์ุริมานเนี่ยรู้จักใครบ้างรู้จะองค์คุริมานม้างเคยได้ยินไหมหนุ่มเคยได้ยินโยคุริมานไ เ, เป็นยังไงองคุริมา น, นพอรู้สักนิดไหมแล้วเขาเขาเป็นยังไงมา ย, ยังไรคุณเลยชื่อรู้จักชื่อเขา ไอ้คนหุดพ้นก็เยอะแยะทําไมเราไม่รู้จักทําไมชื่อท่านถึงเด่นกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะทํายังไงทําไมเหมือนคนอื่นอาจารย์นี้เด่นเนือเนี่เห็นอาจานิ้วเพราะว่าเป็นโจรล่าชีวิตคนอื่นมาก่อนใช่ไหมทําไมเป็นโจรล่ะเขาตั้งใจไหมมีเจตนาเป็นโจรไหมไม่อาจารย์บอกว่า เขาเรียนเก่งเนี่ยพอเรียนเก่งแล้วอาจารย์หมดความรู้ทีนี้มันก็ทางออกของอาจารย์แล้วคุณจะเรียนมณ์อันนี้ต่อเนี่ยคุณต้องไปเอานี่มาแรกความจริงอาจารย์ไม่มีบรรญายนสอนนะแต่ว่าหาทางเขาเรียกมีมีมีเทคนิคของอาจารย์ที่จะเอาตัวรอดเหมอนกัเด็คุณไปเอาคุณจะเรียนมณ์อันนี้ยคุณไปเอานิ้วมนุษย์เนี่ยมาแรกหนึ่งพันนิ้วแล้วคุณจะเรียนมนณ์อันนี้ได้ถ้าคุณไม่ได้มาหนึ่งพันนิ้วมันเรียนไม่ได้เอเขาก็ตัดสินไปหานิ้วมา ทีนี้คนที่ยอมเสียนิ้วโดยที่ไม่ถูกค่าจะกว่าหงจะยากเนาะไปขอจับนิ้วตัดนิ้วตัดหงส์เาไม่ยอมนะเขาก็ต้องต่อยสู้มื่ต่อยสู้ก็มีการค่าเกิดขึ้นเจ้าของนิ้วมันก็ต้องตายทั้งๆ ท, ท, ที่ต้องการเสียสจหลายเพียงนิ้วเดียวนะแล้วค่าไปตั้งเท่าไหร่นะจำได้ไหมเกือบพันน่ะใช่ไหมมันขาดีไม่กินนิ้วมันจะครบพันอ่ะอ่า อออแล้วก็ที่เก้าจะขาดอีกไม่กีก่นิ้วจะโคพันแล้วปรากฏว่าวันสุดท้ายที่จะโคพันเจอแม่ด้วยเจอพระพุทธเจ้าโดยเอาละได้ละวนิ้วสุดท้ายปรากฏว่าไล่ไล่พระพุทธเจ้าไล่ตามติดติดพระพุทธเจ้ายืนอยู่เฉยๆไหมไม่เฉยท่าก็วิ่งเหมือนกันนะก็วิ่งเต็มที่แต่ในตำราก็บอกว่าท่านเหาะหนีนะแล้วเอาความจริงก็แล้วกันก็คือท่านวิ่งภาคกรรมาฐานก็วิ่งไวกว่าโจนะใช่ไหม ไอ้จรมันหนัขวข้าคนมาเยอะมันก็เหนื่อยก็ลายหิวอะไรต่างๆกระชุกกระชุนมันก็ ม, มีกําลังแะแต่ขุนเจ้าท่านมีพระละก่อท่านก็วิ่งวิ่งไปประเทศไปอ้าหยุดก่อนจมนอมนะหยุดก่อนดี๋ยเพิ่งไปท่านก็บอกเออฉันหยุดแล้วอ่ะหยุดยังไงท่านวิ่งอยู่แต่ฉันหยุดทำบาปแต่เธอยังวิ่งทําบาปอยู่ทีนี้ไอ้คนคนนี้เขาเป็นคนนิสัยคนดีมากมา ก, ก่อนเนี่ย ไอ้ที่เขาฆ่าคนเขาก็ไม่ได้มีเจตนาเขาต้องการเอาหัวไม้หมุดไปแลกวิชาเท่านั้นเองใช่ไหมเขาไม่ได้เจตนาฆ่าคนแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์จําเป็นต้องฆ่าเพมันก็ต้องฆ่าเพื่อเอานิ้วมือเท่านั้นเองพอพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันหยุดแล้วเนี่ยฉันหยุดทําบาปแต่เธอยังทําบาปอยู่อ๋อถ้าอย่งนั้นหยุดก่อนอยู่คุยกันก่อนพวกระองค์ก็หยุดเอาคุยกันเอาที่ว่าท่านบอกว่าหยุดทําบาปอยู่ยังไง การที่เราทําให้คนอื่นเดือดร้อนและทําให้ตนเองเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นบาปคุณก็ยังทําอยู่ใช่ไหมทําให้คนอื่นเดือดร้อนให้คนอื่นตายคุณก็ไม่มีความสุขเนี่ยอคือคือกรหอบวิ่งทั้งวันทั้งคืนวิ่งหนีหลบซ่อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหลบซ่อนการตามล่าของเจ้าหน้าที่คุณมีความสุขไหมคุณมีความทุกข์และคนอื่นที่เขาคุณฆ่าไปก็มีความทุกข์คุณคุณก็เป็นบาปคุณไม่อยู่ทํามันนั้นแค่นั้นแหละโอโหวางดาบเลยวางดาบ แล้วพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องนี้แหละเรื่องอริยสัจให้ฟังที่เราพูดกันนี่แหละหลังจากฟังแล้วก็ขอมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าแล้วฟังธรรมพุทธเจ้าไม่กี่วันบรรลุธรรมเป็นพระหลนจากมหาโจรข่าคนมาเกือบพันน่ะแล้วบรรลุพระหลานคนก็เลยรู้จักกันในนามขององคุลีมานชันใช้เวลาไหมในการฝูกฝนใช้เวลานานไหม ฟังทำพุทธิย่างไม่กี่วันนะเปลี่ยนจากโจนเป็นพระหันนะท่านใช้เวลานานมั้ยแต่ใช้เวลาต้องเรียนธรรมมาเป็นสิบสิบปียี่สิบปีไม่ใช่อยู่ที่ความเข้าใจและมีความศรัทธามีศรัทธาและเข้าใจแล้วก็จิตก็เปลี่ยนทันทีจากเปลี่ยนจากขี้เกียจเป็นขายาันขึ้นมาเปลี่ยนจากไม่ทําไม่สนุกเปลี่ยนเป็นทําสนุกขึ้นมาเปลี่ยนจากไม่ศรัอยากไม่อยากที่จะทํากลายเป็นอยากที่จะทําขึ้นมาเห็นไหม มันเปลี่ยนทันทีอยู่ที่การเปลี่ยนใจจากไม่มีศรัทธาหรือมีบ้างไม่ีบ้างมีศรัทธาสูงขึ้นจากไม่ขยันเป็นขยันขึ้นจากทําแบบอะไรแบบขาดสติแต่ตั้งใจทําอะไรขึ้นมีสติจากการที่ไม่ตั้งใจทําอะไรเป็นเรื่องไปแล้วตั้งใจทําเป็นเรื่องไปแล้วมีสมาธิแล้วทําแล้วประเมินผลด้วยตัวเองว่าอันนี้ผลของมันจากการกระทําเปอย่างเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นไหมจิตมันเปลี่ยนทันทีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้ทันที อันนี้คือเป้าหมายของเราต้องการเปลี่ยนชีวิตจิตใจจากเดิมๆที่มันเป็นทุกข์และมีปัญหาเนี่ยไม่ให้มันมีทุกข์ไม่ให้มีปัญหาคือเป้าหมายของเราและก็ไม่ต้องใช้เวลานานตามหลักสูตรที่ว่าด้วยแต่ใช้ความเข้าใจใช้ศรัทธาใช้ความเพียรใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เกิดทีอย่างมันเกิดพร้อมกัน เอาละสมมติว่าคุณเข้ามาที่นี่ในกลางคืนมืดๆนะคุณกดไฟฉายขึ้นแชะเดียวเนี่ยความมืดหายไปไหนก่อนหน้านั้นตอนที่ไม่กดไฟฉายเรามองเห็นอะไรชัดเจนไหมไม่เห็นความมืดก็ยังอยู่แต่พอคุณกดกดไฟฉายขึ้นปับ๊บความมืดก็หายแสงสว่างปรากฏตาคุณมองเห็น พร้อมกันหลาหลายอย่างอ่ะใช้เวลาไหมในวินาทีเดียวเนี่ยคุณสามารถตามมองเห็นความมืดหายไปแสงสว่างปรากฏฉันใดก็ดีเมื่อองค์ประกอบของความเข้าใจถูกต้องปรากฏปั๊บเนี่จิตของเราจะเปลี่ยนจากเนก่งี่เป็นโพสิทีฟจากบุญเป็นจากบาปเป็นบุญจากอากุศลเป็นกุศลทันทีจากมหาโจรเป็นพระหันได้ นี่คืออนุภาพของการเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนแต่ว่านั้นหมายความว่าต้องแสวงหาความเข้าใจถูกต้องดังนั้นเองอันนี้คือเป้าหมายของเราต้องการเปลี่ยนชีวิตจิตใจที่มันทุกข์ที่มันมีปัญหาไม่ให้มันไม่ทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันมีปัญหาหรือมีความทุกข์และปัญหาลดน้อยลงเรื่อยๆนี่คือเป้าหมายของเราเพราะชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะทําให้มันทุกข์บ่อยๆไม่ดีชีวิตมันเกิดมายากคุณจะทำให้มันเป็นทุกข์ไม่คุ้มค่า แต่ว่ามันก็มีสิ่งท้าทายหลอกล่อเราให้ทําในสิ่งที่ไม่ที่มันเป็นทุกข์อะมากมายใช่ไหมยิ่งสังคมปัจจุบันะ่ะสิ่งตัวล่อหลอกดอกหลอก ล, ล, ล่อให้เราไปตามทางของกระแสความชั่วนี่มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณต้องสร้างพลังเหมือนกระแสน้ําอะมันแรงถ้าเปรี่ยบกระแสสังคมทุกวันมันแรงทุกด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมแรงทุกด้านแล้วเมื่อคุณเดินทวนกระแสน้ําที่แรงๆเนี่ยถ้าคุณไม่มีกําลังคุณจะทนไหวไหม ไม่ไหวก็ถูกกระแสมันตีจมแล้วจมอีกอยิ่นั่นน่ะทายน้ํานั่นแหละแต่ถ้าว่าคุณมีพลังหุนทวนได้ก็ต้องฝึกพลังมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่ฝึกเหมือนก็พายเรือทนน้ำมะมันยากขนาดไหนคุณก็ต้องพายขึ้นถ้าหากว่าคุณไม่พายเรือทนน้าคุณเรือคุณก็จมคุณต้องตายแล้วคุณจะเอาแบบไหนต้องใช้กันสุดชีวิตแบบนั้นเลยนะต้องเช่วยเหลือโดยสุดชีวิตการกู้คืนจิตใจของเราที่มันเคยไปตามกระแสให้มันทนกระแสมาอยู่กับตัวที่ ปกติเนี่ยต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นนะจะทำเล่นๆหรอกๆคงจะยากอยู่ตามที่จะมาเคยทำมาแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเวลามากเลยแต่อาศัยความเข้าใจอาศัยความตั้งใจอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาสี่ห้าอย่าง ท, ที่ที่พูดมาเนี่ยแล้วมันก็ง่ายนะมันจะง่ายขึ้นดังนั้นในตั้งแต่วันนี้ไปนะเมื่อวานนะ่ยถือว่าเป็นการทดสอบกำลังเฉยๆนะ การฝึกฝนทดสอบกําลังแต่วันนี้เป็นวันจริงแล้วอันนี้วันนี้ไปจนถึงโน่นวัน <c oughs> ที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วเราก็ลองทํากันดูมันคงไม่ตายอะ่ะถ้าคุณในใตายในสนามเราถือว่ามีเกียรติมากเนะได้ทงชาติคุมหีสบสุกันแล้วกัน <c oughs> ถ้าคุณไหนทํางานนี่ตายมาัหลวงพ่อจะขออนุักดทงธรรมจับฝืนใหญ่เลยนะคุมหีบศพให้กันแล้วกัน <c oughs> ถือว่าตายเพื่อทำํำนะไม่ตายแน่แต่ มันก็จะหนักหน่วงปางตายเหมือนว่าเงี้ยต้องต่อสู้นะเพราะฉะนั้นงานนี้หลวงพ่อเอาหนักแน่ก็แล้วกันเตรียมใจไว้ก็แล้วกันเออแต่ก็ไม่หนักเกินไปหรอกเอาหนักแค่ว่ามาแล้วไม่เสียเวลาได้อะไรกลับบ้านได้อะไรติดมาติดมือกลับบ้านแน่นอนงานเนี้ยถ้าตามตามสูตรนี่นะเพราะฉะนั้นเองเราจะพูดถึงความรู้สึกตัวเท่านั้นในสี่ห้าวันเราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นมากมายรู้สึกตัวตลอดเวลา คุณรู้สึกตัวไม่แน่คุณกาลังนั่งเนี่ยแล้วคุณรู้สึกตัวเป็นยังไงสบายหรือไม่สบายอ่าค่อยๆถามกันเรื่อยๆเรื่องนี้เพราะตัวนี้คือตัวกุญแจลูกเอกในการที่จะไขไปหาความลี้ลับของชีวิตที่จะไขไปหาขุมข่ายของพลังภายในถ้าหากคุณขาดการทำตัวนี้อย่างต่อเนื่องยากนะยากที่จะไปพบในสิ่งเหล่านั้นเพ่อธรมาเคยทามาก่อนแล้ว จะมาพูดได้นะได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตนเองว่า ง, งั้นเถอะมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากตัวนอะรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเบื่อจะหน่ายมันจะขนาดไหนก็ต้องฝืนทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะชอบฝืนทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะชอบที่จะทําแต่ถ้าเมื่อใดยังไม่เกิดความชอบอ ย, า, อยากที่จะทํานะคุณก็ยังไม่สําเร็จในการปฏิบัติครั้งนี้แต่มาครั้งนี้เพียงแต่คุณชอบที่จะรู้สึกตัวชอบที่อยากจะทําความรู้สึกตัว จนกระทั่งว่าแม้จะเลิกฉันก็ยังทําอยู่นั่นแหละเบื้องต้นคุณสําเร็จแล้วไอ้ส่วนที่ต่อไปไม่ยากเลยทีนี้นี่คุณได้กุญแจแล้วแต่ถ้ากลับไปโอ้โหฉันเบื่อเหลือเกินมาที่นี่ห้าวันมันตกนรกเลยเนะี่ยกลับไปเฮ็ดเลยดี่ใครจะมาชวนใครจะมาพูดถึงเรื่องนี้ฉันไม่เอาเลยตรงนี้แหละคุณก็ไม่พ้นเหมือนกันว่าจะต้องทุกไปตลอดชีวิตแหละแต่ถ้าหาว่าเจอตรงนี้โอ้โหเกือบฉันจะไม่ได้มานะี่ยแต่ตั้งแต่เมื่คุณไม่ทิ้งเลยความรู้สึกตัว ท, ทําทุกวัน แล้วความสุขอยู่เฉพาะหน้าทุกๆวันความสําเร็จอยู่เฉพาะหน้าทุกๆวันออันนี้คือเป้าหมายที่เราจะทํานะแล้วอาตรมาก็มีประสบ ก, การณ์อย่างนั้นมาด้วยจึงนํามาบอกส่วนวิธีการทํายังไงเทคนิคยากยืมเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้ก็หลวงพ่อจะพยายามที่จะมาให้หน้าเบื่อเกินไปแต่บางครั้งมันก็จำเป็นต้องเบื่อเพื่อจะศึกษาความเบื่อเพราะอะไรทําไมมันจึงเบื่อแล้วมันเบื่อไปอยี่ตลอดชีวิตมันจะ มันเป็นอย่างไรหรือแต่ละชีวิตไม่มีความเบื่อเลยเราจะเอาอย่างไงแต่ละชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่เบื่อเลยเบื่อไม่เป็นเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามหรือเราจะอยู่กับความเบื่อยี่ไปเรื่อยๆบั่นทอนกัดกร่อนชีวิตเราไปเรื่อยๆ เ, เราจะเอาอย่างไงตรงนี้เราจะศึกษากันนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็หลวงพ่อนําเสนอเราก็ให้กําลังใจเท่า น, นี้นะแล้วหลังจากนี้ไปเราจะไปเดินจงกรมกัน จ น, นถึงเวล า, ล า, ารับประทานรับประทานเช้านะถ้าใครมีใครมีอะไรสงสัยถามมาที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยสงสัยตรงไห น, นไม่เข้าใจมีไหมเอากันให้เคลียร์นะเดี๋ยวจะสงสัยมีอะไรสงสัยไหมมีถามเลยนะอืมแ้วไอ้ที่หลวงพ่อพูดด้วยน้ำหมายเขาว่าไงไม่เข้าใจตรงนั้นบอกเพื่อจะได้เคลียร์กันไปแล้วเวลาเาไปทําแล้วหลวงพ่อว่าเอ้ยก็ ทำความเข้าใจแล้วทำไมคุณยังทำไม่ถูกอีกล่ะก็จะนังนมีพูดแบบนี้เพราะว่าให้โอกาสที่จะต้องถาม แ, แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดปัญหาหรือข้อสงสัยจะไป